ทีนี้เอางี้มันมันมันคือโอเคห้ามห้ามไม่คิดมันห้ามไม่ได้แต่เห็นมันเห็นมันคิดแต่นี้การเห็นเนี่ยเดี๋ยวมันมีรายละเอียดอีกอธิบายไปเนะเห็นควา่ว่าเรากำลังคิดอยู่แล้วถึงตามันถ้าถ้าเราเป็นผู้คิดเนี่ยไม่เห็นมันแต่ถ้าไม่เริ่มต้นก่อนนะไม่เริ่มต้นคิดก่อนเนี่ยจะเห็นมันอ่ะสมมติอยู่เฉยเฉยเนี่ยสมมตินั่งอยู่เฉยเฉยเนี่ยอย่างยกมือเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นที่จะคิดอะไรถูกไหม แค่รู้สึกเย่างนี้แล้วต่อมามันคิดขึ้นมาเห็นไหมมันคิดมันเกิดมันเกิดเองมันคิดขึ้นเองจึงเห็นถ้าอุปมาก็เหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของบ้านนอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมไม่มีแขกมาบ้านเลยเราก็ไม่เห็นดิเพราะมันยังไม่มีมาแต่เราก็อยู่บ้านปกติอพอมีใครมาปั๊บมันก็เห็นเห็นไหมเพราะฉะนั้นความคิดก็เหมือนกันแต่เดิมนี่เรานั่งทําความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่มีความคิดแล้วต่อมามันเริ่มคิดแล้วก็เห็นเพราะฉะนั้น จุดที่ตั้งสังเกตคือถ้าไม่ให้หลงคิดเนี่ยนะอย่าเริ่มต้นคิดก่อนอยู่เฉยๆแล้วต่อมาความคิดมาแล้วมันจะเห็นมันจะเห็นแล้วยิ่งคิดมากมันดีมันเหมือนกับยิ่งเดินมากมันยิ่งรู้สึกตัวใช่ไหมรู้ว่าเดินยิ่งมันคิดมากก็ยิ่งรู้ว่ามันคิดไงโอ้โหทีนี้จะนั่งจะเดินจะนอนเนี่ยมันมีความคิดประกบตลอดเลยโยมเอ้ยเดินมันก็คิดนอนมันก็คิดนั่งก็คิดยืนก็คิด ไม่ว่าจะอยู่ในห้องน้ําจะอยู่ตรงไหนมันคิดดู่ตะลุเลยก็ได้แต่คิดแล้วก็พิจารณาความคิดเนี่ยว่านี่แหละมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือโยนิโสมนสิการประกบคู่เลยว่าอืมนี่พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นสังขารจิตตสังขารในความคิดนะให้เห็นสังขารปรุงแต่งแล้วก็ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเรามันเป็นของเรามันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเมื่อไม่หลงยึดถือเนี่ยมันไม่ทุกข์ดิที่มันทุกข์อะเพราะไม่อยากให้คิด ทำไมอ่ะมันมีความมีตัณหาไงตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเป็นวิพวัตตันหาก็ทุกข์แต่ถ้ารู้ซื่อเนี่ยรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญคือไม่มีตัวเราเลยเนี่ยมันจะพ้นทุกข์มีขันธ์ห้าแต่ไม่ยึดขันธ์ห้ามันก็พ้นทุกข์นะเอา้าทีนี้ไล่มาเรื่องความรู้สึกตัวแล้วเห็นความคิดแล้วนะทีนี้พอเห็นความคิดแล้วเนี่ยมันจะเก่งแล้วตอนเนี้ย เพราะว่าอะไรก็อะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความคิดไปหมดโยมจะมีอาการอะไรในกายมันก็ต้องคิดมีอะไรในจิตมันก็ต้องคิดถ้าไม่หลงความ ค, ามคิดตรงนี้มันพ้นไม่หลงความคิดคือไม่หลงว่ามันเป็นจริงเป็นจังมันมันเป็นอย่างที่มันคิดไม่หลงคือความคิดเนี่ยรู้ว่าเป็นมายาเป็นสังขารปรุงแต่งเฉยเฉยไม่ได้หลงยึดถืออะไรต่อให้มันคิดว่าหลุดพ้นแล้วเนี่ยก็คือสังขารปรุงแต่งถูกไหม มันไม่ใช่ความจริงอะไรมันคิดโอ้หลุดพ้นแล้วไม่ทุกข์แล้วนี่มันคือความคิดอืมถูกไหมทําไมทําไมเรียกว่าความคิดก็มันคิดจริงๆว่าหลุดพ้นแล้วไงแล้วต่อมาเนี่ยมันมันอาจจะไม่หลุดพ้นก็ได้แล้วมันก็คิดใหม่ว่าเอวันก่อนมันหลุดพ้นแล้ววันนี้ไม่ใช่หลุดพ้นอีกอ่ะมันก็คิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นะมันแค่ความคิดอืมถูกไหมมันมันมีแต่ความคิดเออทีเนี้ยมันจะเข้าเรื่องแล้วเนี่ยที่พูดมาเนี่ย เกิดปัญญาจากสุดตะใช่ไหมจากการฟังแล้วก็คิดตามแต่สุดท้ายที่อาจจะมาพูดทั้งหมดะมันเป็นสังขารปรุงแตง่งโยมอย่าได้ยืดถือว่าที่พูดมาเนี่ยมันถูกหรือมันผิดเอาเป็นว่าพูดมาก็เพื่อให้ได้ยินแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมพูดให้ออกมาเป็นเสียงแล้วก็รับทราบแล้วได้ยินแล้วไม่ได้ยืดถือมันก็หมดกัน ถูกมะเวลาเราให้จิงมก็คือยืดยืดยืดว่านคนนี้พูดเก่งคนนี้พูดไปยึดบุคคลอีกไปกันใหญ่เลยแต่จริงอ่ะมันได้ยินเสียงกัดเท่าหูใช่ไห ม, มกระท้าหูเสร็จอา้าพอลงพอกระเท้าหูเสร็จมันก็ต้องคิดนึกปรุงแต่งตามธรรมชาติพอคิดแล้วเข้าใจก็กลายเป็นว่าเราเราเร า, เราฟังเราเข้าใจแล้วเป็นเราอีกนะอา้าพอเราเข้าใจเสร็จแล้วเรารู้สึกเราโล่งมากาก็เป็นเราอีกแล้วเราโอ้ยแล้วก็ แถมยังโยนอีกโอ้อาจารย์คนนี้พูดดีจังเอา้ามาแต่งตั้งให้อีกว่าพูดดีจังนี่คือความคิดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นได้เพียงแค่เห็นรับทราบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสังขารปรุงแต่งไม่ควรยึดมั่นหรือมัน่นรู้แล้วทิ้งรู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่า น, านตะพื้นตะพื้มันจะไม่มีอะไรติดในใจเออทุกวันนี้ที่เราติดครูบาอาจารย์กติดคนนั้นเพราะอะไรอะ่ะความคิดไงว่าคนนี้พูดดีจังคนนี้พูดถูกใจจังแล้วก็ไปยึดติดหรนะืว่ามีคนมีสัตว์จริงๆริ ง, รงแท้จริงอะ่ะมันไม่มีอะไรหร ที่มันปรุงขึ้นมาเพราะนั้นรับรู้รับรู้กันปัจจุบันนะอ้าทีนี้นี่นี่พูดถึงฝ่ายปุงแต่งเลยนะฝ่ายปรุงแต่งนะแต่ต้องอาศัยความรู้สึกตัวเพื่อที่จะพ้นจากความปรุงแต่งนะความรู้สึกตัวอย่างที่บอกตั้งแต่เริ่มต้นท่ากลางถึงที่สุดที่สุดก็คือรู้สึกตัวคือไม่หลงไม่หลงยึดขันห้าว่าเป็นเราว่าเป็นของเราอันนี้เป็นความรู้สึกตัวที่แท้จริงอะไรเกิดขึ้นก็ รู้ทันทีเลยว่าออ้ยมันเป็นของเกิดดับเป็นของปุงแต่งยึดถือไม่ได้มันจะสบายก็ยึดถือไม่ได้มันจะไม่สบายก็ยึดถือไม่ได้มันจะปวดหัวตัวร้อนยึดถือไม่ได้มีแต่ปัญญาที่ว่ารู้แล้วไม่ยึดไม่ยึดไม่ยึดตรงนี้เป็นพระยมันดับอวิชชาถ้าดับอวิชชาปัจจุบันได้เนี่ยดับเป็นตอนเนื่องตอนเนื่องตรงนี้ยมันจะดับได้ตลอดสายถูกไหมแล้วก็ถ้าดับอวิชชาได้มันก็หมดอวิชชาก็คือก็คือไม่ทุกข์ แต่ทีนี้มันมีอยู่ตัวนึ่งที่เป็นอวิชาฝ่ายที่ไปยึดนะสมมติว่าเดี๋ยวนี้ผ่านยังไงพูดนะมันจะไปยึดถือเอายึดถือความโล่งความโปร่งความสบายก่อนนะจริงๆมันเป็นเวทนาเพราะความโล่งความโปร่งความอะไรเนี่ยความเบาเนี่ยมันก็เป็นสังขารปรุงแต่งคือมันเปลี่ยนได้เดี๋ยวมันโล่งใช่ไหมบางทีมันโล่งโร่งเบาเนี่ยอย่างตอนนี้สมมตินเนี่ยโล่งบ่งเบาเนี่ยขนาดนี้ใช่ แต่จากนี้ไปมันเปลี่ยนพอทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎไตรักหมดเดี๋ยวก็มาเมิอนอีกมาสงสัยอีกฟังเข้าใจแล้วทําไมไม่เข้าใจอีกเนี่ยมันก็เปลี่ยนหน้าอันนี้ก็ออไม่ยึดแต่ทีนี้ไอ้ที่ส่วนมากเอาวิชากับไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวความที่ไปยึดไม่เห็นตัวเราไม่เห็นตัวเราตรงนี้เอาวิชาอย่างร้ายแรงเลยเดี๋ยวจะพูดขยายความให้ฟัง ไม่เห็นตัวเราไม่เห็นตัวเองนี่ยจริงๆไงครูคบาอาจารย์ท่านสอนบอกว่า <c oughs> ให้รู้ตัวเองให้เห็นตัวเองแต่เอาเขาก็จริงฮะโยมมันยังไม่เห็นตัวเองเลยนะแต่นี้ทํายังไงให้เห็นตัวเองเราต้องมาคุยกันแล้วจะชี้ให้เห็นว่าเดี๋ยวจะรู้ว่าตัวเองเป็นแบบไหนถูกไหมที่เราเคยซอมเบื้องต้เนเออแต่ดีโยมฟังครั้งแรกเนาะยังตัวให้เห็นตัวเองก่อนตอนเนี้ยที่มาวัดเนี่ย ที่มาฟังธรรมรวมถึงมาฟังอนานตมาใครมาละ่ละเนี่ยใครล่ะเนี่ยที่มาเนี่ยใครตอบเป็นภาษาหล่ะเออนี่เขาเรียกว่ารู้จักตัวเองนึกออกไหมคิดตั้งนานควรจะตอบ <c oughs> ยังไงดี <c oughs> แต่พอตอบปั๊บเออใช่ว่ะใครลรามาก็เราทีใช่ไหมอ่านี่เขาเรียกว่าให้รู้จักตัวเองนะตัวเองก็คือเราเราเป็นคนมา แต่มันมีอวิชาอีกตัวนึงแล้วใครบอกว่าเราเป็นคนมาหรือเมื่อกี้เราไม่ได้บอกนะตัวจิตข้างในตัวจิตบอกถ้างั้นใครเป็นคนบอกว่าตัวจิตบอกตัวเราเออตัวเรานี่แน่นี่มีพบตัวเราสองตัวแล้วตัวเราหนึ่งคนแรกที่มาปฏิบัติธรรมสองไอ้ตัวเราคนที่สองคือคนรู้ผู้รู้รู้ว่า จิตใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าจิตก็คือเราคือผู้รู้ตอนนี้คือเหมือนกับ <คน S 1> กว่าเออจะคุยกันให้รู้จักก่อนว่าเออว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นยังไงทําไมเราไม่ค่อยรู้จักตัวเรากันใช่ไหมเออเพราะนั้นเนี่ยเริ่มรู้จักตัวเราแล้วตัวเราคือผู้ที่นั่งตัวเราคือคนที่มาตัวเราคือผู้ที่รู้เนาะทีนี้เอาถามต่ออีกว่า มีไหมเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้สึกไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อะไรเลย ม, มีใช่ไหมโยมดูตรงนี้ดีนะ <Okay. S 1> ไอตอนที่ถืว่าถูกถามเนี่ยสมมติว่ า, ามาถามก็ได้บอกโยมปฏิบัติธรรมโยมรู้อะไรบ้างบางทีโยมก็ขี้เกียจคิ ด, ค ด, ค ด, คดบ้างอะไรบ้างนะก็บอกว่าไม่รู้อะไรสมมตินะสมมตินะไม่รู้อะไรตรงนี้จะชีย่ยวเห็นว่าใครล่ะเป็นคนไม่รู้อะไร ตัวเราเราไงเราไม่รู้อะไรเพราะถามว่าโยมรู้อะไรไหมโยมบอกไม่รู้อะไรนี่แสดงว่าโยมตอบแทนตัวเองว่าเราเนี่ยไม่รู้อะไรนี่ก็คือพบตัวเราอีกแล้วว่าเราไม่รู้อะไรแต่เวลาภาคปฏิบัติมันไม่เห็นตัวเราเนี่ยมีแต่ตัวเราไปเห็นว่าไม่เห็นรู้อะไรคือเราเนี่ยไม่รู้อะไรแต่เราไม่รู้ว่าตัวเราเนี่ยไม่รู้อะไรนี่มันต่างกันนะเดี๋ยวจะลองไหมเออเอาโยมลงทวนเออลงทวนเป็นภาษาดูค่ะ ตัวเรารู้ตัวเรากับเอาตัวเราไปรู้เนี่ยมันเป็นยังไงเรารู้ตัวเราตัวเราไปรู้เรารู้อ่าสมมติว่าเรื่องเรื่องเรื่องไม่รู้อะไรนะเรื่องไม่รู้อะไรเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะมีตัวเราไม่รู้อะไรใช่ไหมล่ะเราไม่รู้อะไรเลยเออเราไม่รู้มีตัวเราแล้วก็ตัวเราเนี่ยไม่รู้อะไรคือไม่เห็นอะไรเลยอันเนี้ยแบบเนี้ยยังไม่เห็นตัวเอง แต่ถ้าเห็นตัวเองก็จะเห็นว่าไอ้ตัวเรานี่แหละมันไม่รู้อะไรตัวเราเป็นผู้ไม่รู้อะไรเห็นไหมเพราะนั้นปฏิบัติให้เห็นตัวเราเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติให้เห็นว่าไม่รู้อะไรนะให้ปฏิบัติให้เห็นว่ามีตัวเราเป็นผู้ไม่รู้อะไรงงไหมเนี่ย <S <S <S ไม่ไม่ไมง่งงยาก เออแต่นี่แหละยากแบบนี้เลยจะทําให้ง่ายไงเพราะว่าจากการคุยเนี่ยเอาทีนี้เอาเพื่อให้รู้จักตัวเรามากเพื่อดีขนะเอาเมืกก่อกี้เอาคำพูดนี้เลยเมื่อกี้บอกว่ายากใช่ไหมเออทีนี้นะออทมัสต์สดเนี่ยเมื่อกี้บอกว่ายากเราเนี่ยรู้ยากใช่ไหมเบื้องแรกเนาะใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราเนี่ยรู้ยากอันนี้เขาเรียกว่ามีตัวเร า, ราเออมีตัวเรารู้ว่ามันยากแต่ทีนี้ให้กลับมาเห็นตัวเราตัวไหนอ่ะก็ตัวที่ พูดนี่แหละว่าเราเนี่ยรู้ยากคนที่พูดนี่แหละก็คือตัวเราเพราะนั้นความยากไม่เกี่ยวเลยนะตอนเนี้เพราะปฏิบัติให้เห็นตัวเราไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเอาความยากหรือเอาเป็นความง่ายแต่ถ้าเห็นตัวเราที่เป็นผู้ยากหรือเป็นผู้ง่ายนี่แหละ <c oughs> เอออ๋อเคียร์เลยนะก่อนจะลุกไปเนี่ย เ, เอ อ, อ, อเออคือเหมือนกับว่าตัวเรามันมันไม่สามารถเอาออกไปได้อ่ะ มันเอาวิชาไง<ม>ตรงนี้อ่ะไม่ได้แล้วก็สูตรที่เราพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่เกิดมามันไม่เคยมีตัวเราเลย<ม>ถูกไห ม, มแต่พอเอาเข้าจริงอวิชาเนี่ยมันละเอียดไงมันเป็นธรรมะเบื้องสูงเนี่ยมันละเอียดมากรู้ได้ยากจนกว่าเนี่ยจะฟังให้เข้าใจฟังซ้ําๆๆๆเข้าใจเข้าใจปับ๊บเนี่ยมันจะพบตัวเราบ่อยๆมากเลยพูดอะไรไม่ได้เป็นตัวเราทุกทีเลยเลี้ยวคิด่าเกิดความคิดว่าพูดอย่างไร เออเห็นอในนี้ถ้าถ้าพูดประโยคนี้นะสมมติว่าโหยยังอีกหลายชาติแสดงว่ามีตัวเราอีกถูกไหมตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าต้องอีกหลายชาติแต่ถ้ากลับมาเห็นตัวเราก็คือมาเห็นว่าไอาตัวเนี้ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัวพูดว่าเออให้เห็นตัวตัวเราเป็นผู้พูดอ่ะตัวเราเป็นคนพูดให้เห็นตัวเนี้ยหรือว่าให้เห็นตัวเราที่เป็นผู้คิดหรือเห็นตัวเราเป็นผู้กระทําเนี่ยเห็นตัวเราเดี๋ยวเี๋มันไม่มีตัวเราเออมันไม่มีไงทีนี้ ทีเนี้ยที่จะชี้ให้เห็นต่อไปก็คือว่าหนึ่งต้องให้เห็นตัวเราก่อนเพราะว่าการที่จะละวางความเป็นตัวตนได้เนี่ยมันจะต้องเห็นเห็นตัวตนก่อนเออถูกไหมนี่ที่ที่คุยนี่ในระดับให้เห็นตัวตนก่อนนะให้เห็นตัวเราก่อนนะเดี๋ยวมันมีขั้นถัดไปอีกแต่ว่าไอ้คนปฏิบัติเนี่ยไอ้แค่ให้เห็นตัวตนเนี่ยมันยังเห็นไม่ได้เลยยเนี่ยวันนี้ยเลยเราก็ตีกรอกเข้ามาเนี่ยเพื่อให้เห็นตัวเราให้เห็นตัวตนตัวตนที่บอกว่า มันยากจังเลยนี่ใครยากเราใช่ไหมเออนี่ถ้ากับว่าเห็นตัวเราแล้วเป็นคนพูดว่ามันยากในในความยากนั่นคืออะไแต่ว่าจิตมันก็เหมือนปัญญามันก็รู้ว่าทําไมถึงยากเพราะเรายังยื้ใช่ใช่เออเป็นผู้พูดจะให้ได้ไงแล้วมันไม่ได้ไงมันก็เรอรอยากรื้อะไรอยู่ที่มันเพอาะเราปล่อยอะไรไม่ได้มันตรงนั้นมันก็ไม่ถึงไปไม่ถึงทีนี้นะพอพอพบตัวเราแล้วนะไอ้ความยากไม่เกี่ยวนะ สมว่าเอาเรื่องนี้เลยมเมื่อกี้โยมบอกว่ามันยากใช่ไหมถ้ายัางมีตัวเราจริงอ่ะมันใช่มันอาจจะยากแน่ๆเลยเพราะต้องทําให้ได้บ้างนะเนาะให้ตัวเราทําไม่ได้<ม>อทีนี้กลับใหม่โยมเห็นตัวเราแล้วตัวเราคือผู้ผู้ทําไม่ได้ผู้ยากถูกไหมแล้วก็โยมมองด้วยปัญญาว่าจริงๆตัวเราไม่มีถูกไหมตามที่บอกพอตัวเราไม่มีปั๊บความยากมันตั้งอยู่ไม่ได้แล้วเพราะไม่มีตัวเราเป็นผู้รองรับความยากจึง เอ้ามันหายไปแล้วมันหายพร้อมกับตัวเราไม่มีสําคัญนะตอนนี้ย เ, เอาของจริงเมื่อกี้เลยเนี่ยเมื่อกี้คือถ้าถ้าถ้าถ้าสมมติไงงั้นก็คือยากายก็ไม่มีง่ายก็ไม่มีไม่มีไม่มีหมดมมที่พูดไปก็มันมีตัวเราไงแต่เราเห็นทันแล้วรู้ทันแล้วว่าอ๋อมันมันเอาตัวเรามารองรับความยากความง่ายพอตัวเราไม่มีเป็นไงล่ะความยากก็ตั้งอยู่ไม่ได้ความง่ายก็ตั้งอยู่ไม่ได้ไงมันจึงสุญญตาร้อย้อยเปอร์เซนเลยอ่ะ เขาเอว่าเป็นเรื่องี่พรจารยตรงจิตมาขันคือตัวรองคับทีนี้เราเอาตัวเราเข้าไปแล้วขันขันใช่คือเอาตัวเราเนี่ยไปไปไ ป, ไปรับขันเอาไว้ไปยึดขันเป็นเราเอามาเมื่อกี้นะเอาเรื่องเลี้ยงนี้แหละว่าโยมบอกตอนแรกมันยากใช่ไหมถ้ามีตัวเราเนี่ยมันยากยากในการที่จะให้ตัวเราทําได้อย่างนั้นอย่างนี้ยากมากเลยเนี่ยแล้วรู้สึกทําไม่ได้เอาตอนนี้พบตัวเราแล้วว่า แท้ hey, จริงตัวเราก็ไม่มีนะแล้วดูที่ความยากมันมันยังตั้งอยู่ได้ไหมล่ะไม่ได้ถ้าตัวเราหายไปแล้วตัวเราไม่มีอนะแล้วความยากมันจะอยู่ตรงไหนมันไม่มีที่อยู่มันก็สลายหายช่อยไปเหมือนกันนะเพราะนั้นต้องกลับมารู้ที่ตัวเราในสุดยอดวิชาเลยนะเ mm hmm. พราะเมื่อก่อนเป็นอวิชาคือไม่เห็นตัวเราเด็กโอวโหวนี้ถ้าจะสอนให้คนเห็นเนี่ยต้องมาคุยกันแบบนี้ mm hmm. จะคุยแบบคนเยอะ mm hmm. ๆนี่ปวดหัวกันตายเลยคิดไม่ทัน mm hmm. <laughs> เอาทีนี้เอาคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้พบตัวเราอีกนะเอาแ ม, ม้กระทั่งว่าที่ฟังเนี้เมื่อกี้เข้าใจขึ้นนิดหน่อยไหมอ่ะรู้วเลยนี่เนี่ยไอแบบเนี้ยเข้าใจขึ้นนิดหน่อยน่ะจริงๆใครเข้าใจขึ้นนิดหน่อยเราอีกเหมือนกัน<อ>เห็นไหมละ่ะ เ, เพราะรฉะ น, นั้นโอ้โหคือถึงเยอะก็ตัวเราเข้าใจเยอะอะถูกไหมเข้าใจนิดหน่อยก็ตัวเราเข้าใจเพิ่มขึ้นนิดหน่อยถ้าเข้าใจเยอะตัวเราเข้าใจเยอะ แค่จริงอะ่ะมันมีแต่ความเข้าใจแต่ไม่มีตัวตนเป็นผู้เข้าใจถูกไหมจริงจริงมัต้องอย่างไรเออนี่จริงๆถูกแล้วเพราะฉะนั้นไอความหลงผิดเนี่ยถ้าจับตรงนี้ได้นโนะีโยมนาโยมมันไม่ต้องเดินขาลากแล้วแค่โยมพูดอะไรดวงก็เห็นตัวเองเ<ร>ทันทีทไม่ตอยิงอ๋อก็เรามันคนมันมาทีหลังเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้ได้ที่ไหนหราเนี่ยก็ <S <S ต้องอาศัยแบบนี้แเลย คือเราอ่ะมันมันบวชทีหลังก็ต้องแห ม, มใช่ไหมให้เราเรียนรู้ก่อ น, อนค่อยมาไม่เราถึงจะเข้าใจในสิ่งที่พระอาจารย์พูดเขาเขาแนวเขาเหมือนกันแต่ว่าทางรัฐมันไม่เหมือนไม่เหมือนกนันทางรัฐเนี่ยนี่ น, นี่ที่บอกตรงนี้นี่นะถ้าดับอวิชาให้เร็วให้ทันในชีวิตเนี้ให้รู้จักตัวเราตอนนี้เริ่มรู้จักนะเขาเรียกว่าเริ่มรู้จักถ้ามันต่อไปมันจะพัฒนาเร็วมันจะเห็นบ่อยๆ พอเห็นบ่อย ๆ, อยๆมันละได้เร็วรู้เร็วละเร็วรู้เร็วละเร็วรู้เร็วละเร็วรูวรวรวรว้มันรู้ทันทีเลยอ่ะหรือบางทีอาจจะไม่รู้พอมีคนสกษษนิลหน่อยบอกว่าอ้าหลวงก็มีตัวเราอีกแล้วมันตื่นเลยอ่ะวางเลย เ, ออเราสามารถวางตัวเราได้ในในกลุ่มทุกคนทุกแ<ม>ห่งทุกคนทุกแห่งไม่ว่ า, า vai, จะทํางานแต่ตรงนี้หมายความว่านี่เท่ากับว่าต้องคือมันตื่นรู้แล้วไงเ <às S 1> ขาเรียกว่าไอความขยันเนี่ยมันมัน มันเป็นชีวิตจิตใจไปแล้วขยันรู้อะนะแต่ถ้าคนถ้าไม่มีเบื้องต้นของการเจริญสติอะมันจะนึกได้ยังไงว่าไม่มีตัวเราอะเพราะมันยังเพลินอยู่ถูกไหมมันเพลินอยู่แต่ทีนี้เนี่ยคนที่ปฏิบัติทํานานๆเนี่ยเราอยากจะแนะนํานีเพราะว่าเขามีประสบการณ์เยอะแล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาเข้าไปตรงนี้ไม่ถึงเพราะไม่มีคนบอกไงเอเอาแค่รู้สึกตัวเป็นภาษาภาษาแต่จริงๆยังหลงใช่ไหมเออแต่มาตรงนี้ ถ้าเห็นตัวเราแล้วเนี่ยรู้เร็วละเร็วเนี่ยว่ามันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงมันเป็นแค่หลงมันหลงไปตามตามนิสัยเดิมถูกไหมนิสัยเดิมที่เคยหลงยึดแต่ตอนนี้พอมันหลงปั๊มันรู้เลยอะหลงปั๊บเปลี่ยนหลงเป็นรู้ทันทีเลยอะหลงเพราะกังเขียนเนี่ยแต่หลงเพราะกังเขียนก็ไม่อธิบายในสูตรนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยเปลี่ยนหลงเป็นรู้ทันทีหลงอะไรหลงตอนแรกหลงว่าเป็นเราหลงว่าเราเข้าใจเรารู้เรารู้มากขึ้นนี่หลงนะแต่ถ้าเป็นรู้ก็คือรู้ว่ามันไม่ใช่เราไง พิกทันทีเลยอ่ะอะไรจะขึ้นไม่ได้เราไม่ได้เราแต่อันนี้ที่เป็นภาษาพูดนะแต่พอเอาก็จริงมันไม่ใช่ว่านั่งท่องไม่ใช่เรานะเอแต่จะนั่งท่องสอนมันก็ก็พอได้อยู่แต่จริงๆไม่ไม่ต้องสอนเป็นภาษาพูดหรอกเอาเป็นแค่ว่าเหมือนกับมันไม่รู้นะครับมันเออตโนมัติอ่ะนอัตโนมัติอ่ะทีนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยที่มันเจ็บมันปวดเนี่ยนะจริงๆมันรู้แล้วมันก็คือปัญญาไปแล้วไงว่าไอ้ที่เจ็บที่ปวดเนี่ย ก็คืออาการใช่ไหมเออเป็นอาการเนี่ยคือมันไม่ได้หลงยึดว่าเป็นเราแล้วไงเพราะว่ามันได้ยินทั้งได้ยินทั้งได้ฟังทั้งภาคปฏิบัติเนี่ยเห็นอะไรก็สักแต่ว่าไปเนี่ยใช่ไหมจะเจ็บจะปวดจะหิวเนี่ยมันปัญญามาเร็วไงก็เลยสักแต่รู้ไปสักแต่รู้ไปเรื่อยองเงี้ยสักแต่รู้ไปเอารู้แล้วก็เมื่อฟังธรรมะเข้าใจหรือไม่เข้าใจใช่ไหมมันรู้ได้นี่เข้าใจก็รู้ได้ไม่เข้าใจก็รู้ได้ก็ก็แค่รู้เนี่ย ไม่ต้องเอาตัวเราเป็นผู้ไม่เข้าใจไม่ต้องเอาตัวเราเป็นผู้ไม่เข้าใจตัดตัวเราไปเลยเพราะตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีเน้นเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่ามีตัวเรามีแต่อันตตาอืเพราะฉะนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโอ้ยก็มันไม่ใช่เราทั้งหมดนี่ไม่แต่รู้รู้ <c oughs> อยอมรับตงเนาะเออตนี้นอ่ะก็รู้รู้ไปเออถ้ามันหลงนะถุมวัดมันหลงนะแต่พอนึกออกขึ้นมาใครหลงอนะ่ะ ก็ไม่ใช่เราหลงอีกใช่ไหมละ่ะมันแค่หลงก็คือเป็นฐานฐานห้าที่มันเกิดดับมันรู้บ้างหลงบ้างก็ถูกไม่ได้ยึดถือว่ามีเราเป็นผู้หลงไม่ได้ยึดถือว่ามีเราเป็นผู้รู้ไม่มีเราเราไม่มีมีแต่อาการมีแต่พฤติกรรมจิตเออมีแต่แค่เนี้ยไม่ต้องไปตามใจมันใช่ไหมหมายถว่าเราหลงอะไรเรไม่ต้องไปอย่างนี้ค่ะชาแนลนะสมมุติโยมชอบโยมจะหลงเสียงเพลงโยมจะชอบฟางเพลงนี้เป็น ถ้ า, าเป็นอย่า ง, งนี้นะคื อ, ต, อ, ต, อ, ต, อต้องตัดหมไม่ไม่ถ้าถ้าเป็นแล้วนี่นะไม่ตัดเอาอย่างพี่เคสตัวเองที่โยมถามนะครับส่วนว่าเราชอบฟังเพลงนะโ<ช>ยมเปิดเพลงก็ฟังไปทีแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยให้โยมอ่านจิตตัวเองว่ามันพูดว่าอะไรมันพูดว่าเช่นนะพอเปิดเพลงใช่ไหมหูได้ยินเนาะมันบอกเพลงนี้จังเลยนี่เห็นความคิดติเห็นความคิดอ่าแล้วก็พอพอพอพอฟังแล้ว มันชอบแล้วจิตมันชอบใช่ไหมแล้วโยมก็พูดในใจบอกโอ้โหความเพรินี้ชอบมากเลยให้เห็นความคิดอย่างเดียวให้เห็นความคิด่เราชอบแต่ไม่ใช่ให้ให้เห็นความคิดที่มันมันพูดมันมันสามันวิพากวิจาร์อ่ะให้เห็นความคิดมันวิพากวิจาร์เอาอย่างยกตัวอย่างให้ตรงก็คือเช่นมันมันชอบแล้วใช่ไหมไอชอบเนี่ยมันพูดไม่ได้มันคิดไม่ได้ แต่ชอบเนี่ยเป็นอาจจะเป็นความรู้สึกเวทนาแต่วิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันไปรู้ว่าชอบใช่ไหมไปรู้ชอบแล้วก็ต่อมาไอ้สังขารปองแต่งความคิดมันก็พูดดิมันคิดในใจขึ้นมาบอกโอ้ชอบมากเลยเพลงนี้มีความสุขมากเลยให้โยงเห็นความคิดไ ม, <อ>ไม่ต้องให้หยุดเลยเพราะมันเป็นขันห้าหยุดไม่ได้พอเราเห็นความความคิดอย่งนั้นอ่ะมันจะตัดใช่ไหมคะ ตัดไม่ตัดไม่ต้องสนใจมันยังไงมันไม่ใช่เราอยู่แล้วมันก็ยังหลงตรงที่ไม่อยากตัดนะอ๋อไม่ไม่อยากตัดก็เลยมันพูดว่าอย่างไงเช่นมันพูดว่าเออเราไม่อยากตัดก็เห็นความคิดไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยเออมันพูดอะไรก็เห็นไปอโยมบอกว่ามันชอบอ่ะนี่ก็เห็นความคิดแล้วใช่ไหมแล้วมันบอกไม่อยากตัดหรอกก็เห็นความคิดไปเรื่อยอ่ะนะเออเห็ความคิดไปเรื่อยมันจะพูดยังไงก็เห็นไปเรื่อยท่านอาจารย์ท่านอาจาว่าเราก็ปล่อย พุ่งไปเรื่อยๆมันพุ่งก็มันคือคือคิดนะเราิดเราคิดคุณมันชให้เห็นก็ใช่ถ้าเราเห็นแล้วมันไม่ไม่หยุดเลยคือหยุดไม่หยุดนี่นะจริงๆไงตรงเนี้ยมันเป็นขันห้าไปหยุดขันห้าไม่ได้เราไม่ได้เราเราไม่ไปหยุดเองมันบงคือถ้ามันหยุดก็หยุดถ้ามันไม่หยุดก็คือไม่หยุดคือรวงความตั้งแต่ต้นเลยคือมันไม่ใช่เรา ไม่ใช่เราเป็นเรื่องหลังคานที่มันไม่หยุดเนี่ยขอยกอุปมายอย่างนี้การหายใจเนี่ยมันหายใจเข้าหายใจออกเนาะถูกไหมยาวบ้างสั้นบ้างยาวบ้างละเอียดบ้างเนี่ยนะซึ่งมันจะต้องเป็นตามเหตุการณ์ไม่ต้องมีตัวเราต้องไปสั่งว่าต้องให้หยุดหายใจหรือต้องหายใจอย่างนั้นไม่ต้องเลยแค่รู้ว่ามันหายใจแบบไหนก็คือแค่รู้เรื่องความคิดก็เหมือนกันก็คือขันห้าชนิดหนึ่งเหมือนกันถูกไหมมันคิด คิดมากคิดน้อยเนี่ยถ้าเราเขาเรียกว่าเดินวิปัสสนาเดินปัญญานะหมายความว่าไม่สนใจเลยว่ามันจะเป็นยังไงก็ได้แค่รู้แต่ไม่ติดไปคือไม่หลงไปอ่ารู้ซึ่งมันจะต่างกันแบบนี้มันต่างกันว่าสมมตินะไอขันห้าปกติที่มันต้องคิดต้องนึกเนี่ยเช่นมันคิดอยู่ในกรอบของยังไงอ่ะมันต่างกันอย่างนี้ถ้าเมอเอเพลินนะสมมตินะ สมมติว่ายเรานั่งอยู่นี่แต่ใจเราคิดออกข้างนอกถูกไหมคิดนู่นคิดนี้พอรู้สึกตัวปับ๊บมันจะดับเมื่อก่อนไหมมันจะดับเลยมันจะดับโดยเพราะความรู้สึกตัวนะไอ้นี้มันดับอันนี้กรณีที่รู้ข้างนอกเนาะแต่ที่มันรู้ข้างในเนี่ยเช่นสมมติว่าใจมันมีความสุขมากเนี่ยมันบอกว่าโอมีความสุขมากเลยชอบมากเลยเนี่ยเห็นไหมจิตมันไม่ได้ส่งไปหาใครนะมันพูดแต่เรื่องอารมณ์ พูดถึงอารมณ์ที่มีอยู่ในใจว่ามันชอบมากเนี่ยอารมณ์แบบนี้มีความสุขมากมันก็จะคิดแต่เรื่องความสุขภายในถูกไ้มตรงเนี้ดับไม่ได้มันเป็นธรรมชาติมันดับไม่ได้เพราะว่ามันมันคือกฎของมันอย่างเงี้ยมันจะวนวนวคิดมันก็คิดก็วนไปเรื่อยแหละเอาสมมติบอกชอบมากเลยอย่างนี้ยเคยฟังในอดีตมันยังชอบเลยเราก็เห็นตามเห็นอยู่เลยเนาะมันก็พูดอย่างเนี้ยแล้วต่อไปอีกกันมันบอกเอู้นี่มันคิดนี่ทําไมมันไม่ดับก็เห็นความคิดตัวใหม่อีกแล้ว อ๋อทำไมไม่ดับมันก็คิดตัวใหม่แล้วก็ไอตัวใหม่ก็คิดใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ดับหรอกมันเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันคิดกี่เรื่องแล้วแต่มันก็คิดภายในไงมันเป็นเรื่องคิดภายในมันไม่ได้คิดเรื่องเซลมันจะติดต่อไปยังไงมันต่อไปเรื่อยๆอ้ามันไม่จบอ๋อก็มันเป็นขันห้าไงมันมันจะจบยังไงอ่ะมันจะจบก็ตอนนอนหลับอาจจะพักมือเขาเรียกว่าพักจิตเนาะมันเข้าราวังเนาะเออก็ไม่รับรู้มันจะมีอย่างอื่นเข้ามาอีกคือมันจะคิดไปเรื่อยแหละโยมมันจะคิดไปเรื่อยเนี่ย คิดเนี่ยมันเหมือนกับพูดเลยนะคล้ายๆกันนะคิดคืออยู่ในใจคนอื่นไม่รู้แต่ถ้าพูดเนี่ยพูดออกมาเป็นเสียงแล้วก็คนอื่นรู้อย่างเมื่อกี้เนี่ยตอบให้รู้สึกตัวจะพูดไม่อยู่สักทีเนี่ยมันก็ต้องพูดไปอย่างเงี้ยอคนโน้นคนนี้ถามคนนี้ตอบคนนี้ถามคนนี้ตอบคนนี้ถามคนนี้ตอบมันจะไปเรื่อยๆนี่คือที่เราพูดนี่มันออกมาจากความคิดนะเนี่ยถูกไหมมันก็ไม่เห็นมันหยุดสักทีก็คุยกันสนทนากันไปเรื่อยไปเรื่อยไแต่ถ้าจะหยุดก็บอกอ่ะทุกคนตั้งใจหยุดตั้งใจเนี่ยเ้าเรียกว่าตั เงียบปากนะแต่ในใจมันคิดอุตลุนเลยนะยังหยุดไม่ได้ต่อนะมันคิดบอกเงียบแล้หายเหนื่อยแล้วดูดีเหมือนกันบอกโอ้ยมันพูดสารพัดนี่เลยเขาเรียกว่าขันหน้าอย่าไปหยุดขันหน้าถ้าไปหยุดขันหน้าเนี่ยมันตายไม่ตายก็นะไปหยุดบ่อยๆนะเกิดชาติหน้านะสมมติเกิดนะมันจะเป็นคนเออคิดไม่เป็นคนเออเนี่ยคือหน้าตาเออออแล้วก็คิดไม่เป็นเลยมีผลนะมีผลทางจิตเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไม่ต้องไปหยุดมันเพราะมันเป็นขันหน้า หยุดนี่ผิดเลยเป็นเหตุผลหน่งที่ไม่มดเช่อเออนะฮะพเพลงเออแต่ที่นี้ของของโยมมันจะมีว่ายึดอย่างที่บอกแล้วคือคือให้เห็นให้เห็นจิตตัวเองจิตที่มันคิดอ่ะนะรวมถึงอารมณ์พอหูได้ยินเสียงแล้วมันชอบอบบมันรู้อยู่ได้ใช่ไหมรู้เลยว่าชอบแล้วพอชอบปั๊บเนี่ยมันจะมีความคิดเลยบอกชอบมากเลยมีความสุขมากเลยมันพูดในใจอ่ะให้เห็นแล้วก็สักแต่เห็นไปอย่างเนี้ยไม่ยึดถือ แต่ต้องไม่เพลินนะไม่เพลินในในอารมณ์ไม่เพลินคือรู้ได้แต่ไม่เพลินเพราะว่าความเพลินนี่เป็นนันทิใช่ไหมเป็นคือไม่รู้กายไม่ใจเป็นรเกิดความทุกข์ใช่เป็นกามเป็นกามมลาคะคือความเพลินนะมันทำให้ติดติดก็คือว่าถ้าขาดเพลงเลยฉันมีทุกข์มากแต่ถ้าไม่ติดหมายความว่าเพลงมาเพราะอ่าถือว่าได้ยินเพลงมันมันชอบมันเพราะเนี่ยก็เป็นปัจจุบันขนาใช่หม แล้วก็รับรู้ได้ว่ามันชอบมากเนี่ยรับรู้ได้แล้วพอปิดเสียงก็ไม่มีผลต่อจิตใจก็คือว่าก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าถ้าติดนะพอชอบอย่างเงี้พอเครมาปิดเนี่ยโมโหอ่าหรือว่ากดไม่ได้เงี้ยอย่างเงี้ก็เรียกว่าเสพคือติดเพราะฉะนั้นต้องไม่ติดคือมีได้แต่ไม่ติดเสียงมีได้แต่ไม่ติดอารมณ์ธรรมารมณ์ทั้งหลายมีได้แต่ไม่ติดได้หมดความไม่ทุกข์อยู่ที่ไม่ติดคือไม่ยึดไม่ติดมีก็ได้ไม่มีก็ได้ อ่ะทีนี้อวิชาเรื่องเรื่องตัวตนเนี่ยตรงนี้สําคัญมากเลยอ่ะเพราะว่าจะพ้นทุกข์กัดอยู่ที่ตรงนี้แหละคือเห็นตัวเรานี่แหละเนาะเห็นตัวเราถ้าไม่เห็นตัวเราเนี่ยมันมันมีตัวตนอยู่แล้วถ้ามีตัวตนคือพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะนั้นให้เห็นตัวตนให้เห็นอัตตาแล้วก็รู้ว่าแท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่อัตตาหรอกมันเป็นอนัตตาแล้วมันก็ดับได้เร็ว เดี๋ยวพอฟังเขาจะโยงก็กลับไปทําอีกอดตาไปทําอีกเนี่ยนี่มข้อเสียมันจะดูตรงเนี้ยฟังอะไรไม่ได้จะจะจะเอาไปทําดียวไหมเออก็คือเอาไปปฏิบัติเราจะใช้คําว่าอย่างนี้ก็ได้สังเกตเออให้สังเกตให้สังเกตไม่ต้องเพ่งเลยสังเกตมีอารมณ์กับความคิดอย่างที่ท่านอาจารย์เทพว่านั่นอย่าไปมีอารมณ์กับความคิดนะดีมากนี่ไงเนี่ยตรงกันเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยคนเกลียดความคิด พอความคิดมาแล้วโมโหโกรธเกลียดอ่ะเดี๋ยวนี้เห็นความคิดเนี่ยเห็นทำเนอเห็นทำนะเห็นความคิดเนี่ยเห็นทำทําไมเรียกว่าทำเป็นธรรมชาติอยู่ภายใต้กฎไม่เที่ยงว่าความคิดก็อนิจจังใช่ไ้มทุกขังอนัตตาอ่าเมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เห็นก็คืออ๋อเป็นอย่างนี้เองเห็นทำเห็นธรรมะก็เห็นความคิดแล้วก็อย่าหลงไปกับความคิดคือไม่หลงคือไม่หลงไปยึดถือในความคิด ว่ามันต้องเป็นจริงๆอย่างที่คิดนะไม่ใช่เราความคิดคือสังขารสังขารคือยึดถือไม่ได้ยิ่งคนคิดเก่งมันก็ต้องพูดเก่งใช่ไหมอ อ, อาจจะพูดเก่งในเรื่องธรรมะอาจจะพูดเก่งในเรื่องโลกโลกแต่ไม่ว่าจะเรื่องไหนคือสังขารปรุงแต่งคืออันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ว่างเปล่าหมดพมไม่ยึดพูดมาก็ได้ยินได้ฟังแต่เมื่อได้ยินได้ฟังหมดแล้วไม่ต้องแบกไม่ต้องหามไม่ต้องจดเลคเชอร์ให้เป็นของหนักให้รู้เป็นปัจจุบันไปมันก็เออ <c oughs> อยู่มาบ่นแบบกล้ามาจะมเอ็ไม่ต้องจ็บ<ๆ>ไม่ต้องเจดอจดอกเบาหิวเลยแล้วก็ถ้ามันเข้าใจอะไรไม่ได้เช่นมันลืมไปใช่ไหมถ้ามันไปยึดว่าเราลืมรู้ทันว่าเอามีเรา อ, อีกแล้วถูกไหมแล้วก็ทิ้งเราไปก็หมดปัญหาเอออย่างเงี้ยรู้ทันรู้ทันตัวเรารู้ปล่อยรู้ปล่อยใช่รู้ปล่อยคําว่าปล่อยในที่นี้มันมันมีอย่างนี้ว่าถ้ามันรู้แล้วมันปล่อยอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปไปทําอะไรมันอีก รู้เลยมันปล่อยอยู่แล้วเนี่ยเช่นเสือเรานั่งอยู่เนี่ยนะเรานั่งอยู่เนี่ยแล้วมีเสียงดังเสียงรถเนี่ยมันรู้แล้วก็มันไม่ติดใจอะไรเนี่ยถ้ากับปล่อยอยู่แล้วไม่ต้องอ่าไม่ต้องทําอะไรนะหรือว่าเรานั่งเราเจ็บเราปวดเนี่ยมันเจ็บบ้างคันบ้างเนี่ยแต่ใจไม่ยึดถือคือมันมันไม่มีปัญหากันนะนะอย่างนี้ถ้ากับมันปล่อยอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้ายัางไม่ปล่อยเช่นแต่ตัวตนเนี่ยที่มันไม่ปล่อยเพราะนึงยังไม่เห็นถูกไ้ย ยังไม่เห็นตัวตนคือยังไม่เห็นตัวเราเราไม่เห็นเราเห็นแต่เมัอนทนไม่ได้เราเหมือนเหมือนโยมขาจะเจ็บเจเนีอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีเราไปเห็นเจ็บมีเราไปเห็นเจ็บใช่ก็วางตัวเราอย่าไปวางตัวเจ็บวางตัวเราแล้วแล้วมันเจ็บอยู่เจ็บก็เรื่องก็มันเจ็บก็ถูกแล้วก็คือก็เจ็บก็คือเนี่ยเรื่องกายเนี่ยนะเขาบอกว่าต้องบรรเทามัน ใช่ไหมต้องมีสติปัญญาเจ็บก็เปลี่ยนดิเนาะแต่ว่าจะถ้าจะไว้ศึกษาเนี่ยมันเจ็บก็สังเกตความเจ็บสังเกตว่ามันเจ็บเป็นยังไงแต่ตอนสังเกตนะ ม, มีตัวเราเป็นผู้สังเกตถูกไหม <S <S อย่างนี้เป็นสมถะนะมีตัวเราเป็นผู้สังเกตความเจ็บแต่ถ้าดับตัวเราปับ๊บเมื่อตัวเราไม่มีผู้สังเกตก็ไม่มีเจ็บก็ไม่รู้มันรู้ทีแต่รู้แบบไม่ยึดถือไงรู้แบบไม่มีตัวเราเป็นผู้ยึดถือเพราะตัวเราไม่มี อันอยูนั่งได้นานนะพระอาจารย์จริงๆมันอยู่ที่การฝึกอันนี้มันเป็นเรื่องการฝึกถ้าฝึกให้นั่งนานมันก็ดั่งนานแต่จริงๆเราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้ฝึกเพื่อให้เขาฝึกเนี่ยจริงๆปฏิบัติธรรมให้เกิดปัญญาคือปล่อยวางไม่ยึดถือแต่ทีนี้คนนั่งนานเนะี่ยมันจะตีกลาบได้นะใครนั่งนานนะเรา <c oughs> <c oughs> เรานั่งนานกว่าเขาเห็นไหมมีเรามีเขา <c oughs> เราเก่ง อย่างเนี้ยถ้านั่งนานแล้วมีอัตราเนี่ยผิดยึดว่าเราเก่งอ่ะผิดแล้วแต่ถ้านั่งนานไม่มีเราเป็นผู้นั่งมันมีแค่เวลาตามธรรมชาติซึ่งมันต้องผ่านไปซึ่งเขาเรียกว่านานถูกไหมอย่างนี้ไม่มีตัวเราแล้วเวลามันเจ็บอืมก็มันมีแต่เจ็บแต่ไม่ใช่ตัวเราเจ็บมันมีแต่เจ็บอ่ะคือความเจ็บแล้วก็มีรู้แต่รู้ไม่มีตัวรู้ได้ว่าเจ็บแต่รู้ไม่มีตัวคือ ไม่มีตัวเราเป็นผู้รู้เพราะตัวเราไม่มีมีแต่รู้ที่เป็นธรรมชาติซึ่งเขามีอยู่แล้วเขารู้ของเขาไปเพราะงั้นทั้งไม่ยึดถือผู้รู้ไม่ยึดถือผู้เจ็บมันก็จึงพ้นพ้นทั้งผู้รู้พ้นทั้งผู้เจ็บมันก็จึงไม่มีตัวเรามันก็กสู่นู่นแหละเขาเรียกว่าจิตสู่นิพพานคือความไม่เป็นอะไร